วบทย่อของพระครูสุทดทีรทำดังสีหลวงปู่เจียจุนโดจากหนังสือหลวงปู่เจี้ยพระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทองท่านพระอาจารย์เจียจุนโดท่านเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีถือกําเนิดในตระกูลโพธิจิตเมื่อวันอังคารเดือนเจ็ดขึ้นหกข้ามปีมะโรงตรงกับวันที่หกมิถุนายนพุทธศักราช2459บ้านคลองน้ําเช็มตําบลคลองน้ําเช็ม อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโยมบิดาชื่อสุนแชโยอมบรรดาชื่อแฝงโพธิจิตบิดาท่านย้ายมาจากเมืองจีนโยอมบรรดาเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีอาชีพค้าขายต่อมาในภายหลังได้ย้ายนิวาสถานมาอยู่ที่ตำบล น, น้องบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นบุตรคนที่สี่มีพี่น้องรวมกันเจ็ดคนในวัยเด็ก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 มีเรืออยู่สองลำลำใหญ่นำไปบรรทุกกระดานลงมาขายมีอยู่วันหนึ่งจะออกไปซื้อกระดานลงศพที่เกาะก่อนจะออกเดินทางยายสอนให้ภาวนาว่าพุทธังทำมังสังขังพอเดินทางไปพายุใหญ่มันมาหน่ากลัวมากเราก็ตั้งใจนึกอย่างที่ยายสอนพายุหายเรียบตอนหลังไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเรียนถามท่านว่าครูบาาจารย์ผมออกไปเดินเรือซื้อแผ่นกระดานลง ยายสอนให้ภาวานานึกพุธทธังทามังสังคังพายุพัดกระนำมาอย่างแรงผมภาวานานนกอย่างที่ยายสอนลมพายุสงบลงทันทีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจริงตอบว่าก็มันเป็นของดีนี่สมัยยังหนุ่มยังแน่นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาบุญคุณโทษอะไรมุ่งแต่ทางานอย่างเดียวแม้แต่คาว่านโมตัสะอย่างว่าไม่จบ ตอนจบป .4 ใหม่ๆครูง้วนลิ้นที่เคยเป็นอาจารย์สอนในสมัยเรียนมาตามไปเป็นครูค่าจ้างเดือนละสามบาทเราไม่อยากไปแต่แม่ต้องการให้ไปหากผู้เรียนขายเพียงสองเที่ยวก็ได้แล้วสามบาทไปเป็นครูอยู่ได้สิบวันก็ถูกให้ออกเพราะเอาบอรเพ็ดให้เด็กที่ซุกซนกินเด็กมันไปฟ้องพ่อแม่มันว่าครูเคี้ยเอาบอรเพ็ดยัดปากกินข้าวไม่อร่อยท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลย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 ต้องไปเป็นผ้าขาวอยู่ที่สำนักวัดจายงามนี้เป็นเวลาหลายเดือนระหว่างนั้นต้องหัดขานหน้าและอบรมกรรมฐ า, านกับท่านพระอาจารย์กุงมาคือหนึ่งตอนเป็นนาาฟังเทศท่านอาจารย์กงมาพอนั่งภาวนาฟังเทศไปจิตอยู่กับคำบริกรรมหูก็ได้ยินเสียงเทศไปคือจิตก็ทำหน้าที่ของมันหูก็ทาหน้าที่ของมันจนเกิดเป็นสมาธิ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 ในสิ่งที่ชั่วเสียหายพันศาที่สองถือเนสัตชิคือการไม่นอนตลอดพัรษาด้วยการตั้งสัจจะไว้ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิทำอย่างนี้วรนละสามหนเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นอุบายในการภาวนาด้วยการตั้งสัจจะว่างพระพเจ้าจะถือเนสัตชิตลอดทั้งพรนา ในเวลาค่ําคืนไม่นอนด้วยพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพระเจ้าไม่ทําตามสัจจะอันนั้นหนึ่งขอให้ฟ้าผ่าตายสองแผ่นดินสู่สามไฟไหมสี่ขอให้น้ําท่วมตายด้วยพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้เอาให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยตัวสัจจะนี่แหละถือเป็นตัวสําคัญผ่านก็ผ่าน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 เมื่อตั้งสัจจะแล้วเริ่มภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเมื่อภาวนาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอยู่มาวันหนึ่งในพรรษาที่สามมานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นกระบกจิตรวมใหญ่ด้วยกันอย่างสติปัญญาลงในกายานุปัสนาแยกแยะส่วนต่างๆของาธาตุขันต์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุก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 แล้วคนจะไปอยู่กับใครเมื่อพูดอย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์โกงมาท่านก็นั่งนิ่งหลังจากกราบลาท่านพระอาจารย์โกงมาแล้วจึงไปบอกลายมพ่อโยมแม่และพี่สาวตลอดจนญาติญาติยมแม่จึงพูดขึ้นว่าจินก็เป็นคนจินยากจะไปได้ยังไงลูกยอมแม่พูดขึ้นพร้อมทั้งน้ำตาเพราะในบรรดาลูกๆพ่อแม่รักเราเป็นที่สุด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 เพื่อจะไม่ให้ไปด้วยอุบายต่า ง, างๆนานาพี่สาวจึงพูดขึ้นว่าพระไม่มีเงินถือเงินจับเงินเองก็ไม่ได้หาเงินเองก็ไม่ได้หากินเองก็ไม่ได้จะไปได้อย่างไรกันเราจรึงตอบว่าพระทั้งประเทศเข้าไปยังไงอยู่ยังไงกินยังไงกูก็จะไปอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นและกินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสละราชบัลลังก์อกบวชไม่เห็นจะมีปัญหามากมายขนาดนี้โว้ย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 อันเป็นกิริยาที่หมูแ ม, แมวแมวอย่างพวกเราต้องหมอบคลานก้าวขาไม่ออกเรื่องวาราจิตนี้ครูบาอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกอย่างจะพูดจะคิดอะไรอยู่กับท่านต้องระวังประมาทไม่ได้เป็นบาปใหญ่เพราะท่านเป็นพระอรหันต์อยู่ต่อมาอีกสองสามวันฝันข้างๆ ข, ของท่านพระอาจารย์มั่นจึงหลุดแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าเอา้าท่านเจีย๋ยาไปแล้วท่านก็หยิบยื่นให้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 เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาตนเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่เมื่อเป็นดังนั้นจึงกาบรียนท่านอีกว่าคนแก่ต้องฉันนมบำรุงบ้างร่างกายจะได้มีเรี่ยวแรงอาการไข้จะได้ฝืนขึ้นกระผมขอนิมนต์ให้ลองฉันนมดูบ้างเมื่อกาบเรียนแล้วท่านแสดงอาการนิ่ง อาการนิ่งของท่านนั่นแหละเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาจิงให้นานแดงเอาเงินหนึ่งบาทที่โยมเข้าถวายไปพิจารณานมข้นมากระป๋องหนึ่งเพื่อจัดถวายท่านในตอนเช้าถ้าฉันนมแล้วมันมักจะถ่ายท้องท่านปฏิเสธเสียงแข็งกระผมคิดว่าควรจะลองดูหน่อยถ้าถ่ายท้องกระผมจะเช็ดทาความสะอาดเองครูบาอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วง